เสียงระคังตอนตีสี่เงียบหายไปนานแล้วแต่เสียงเห่าหอนของสุนัขยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อตัวหนึ่งหยุดอีกตัวก็ตั้งต้นหอนใหม่ผัดกันรุกผัดกันรับอยู่อย่างนี้เป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วครูใหญ่กำลังเดินจงกรมระยะที่หกอยู่รู้สึกราคาญขึ้นมาต ง, งิดต ง, งิดเพราะแม้จะกาหนดได้ยินหนอ ครั้งแล้วครั้งเล่าพวกมันก็ยังไม่ยอมหยุดเห่าหอนเหตุนี้กระมังที่เขาเปรียบเทียบคนที่พูดพร่ำไม่รู้จักกาละเทสะว่าพวกปากหมาแต่ก็แปลกตรงที่ว่าวันนี้เสียงของมันช่างโหยหวนชวนให้ขนลุกขนพองกว่าทุกวันหรือจะเป็นเพราะพวกมันรู้ว่าวันนี้เป็นวันพระถึงได้หอนนานกว่าปกติ เาคิดเดินจงกรมได้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆจึงกำหนดนั่งหากยังไม่ทันได้นั่งก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินขึ้นศาลาตรงมาแสงจากดวงไฟสี่สิบแรงเทียนแม้จะไม่สว่างสวัยเท่าไฟนีอ่ อ, อนแต่ก็ทำให้เห็นชัดว่าภิกษุรูปนั้นอายุอยู่ในราวเจ็ดสิบเศษร่างกายสุดโซมสู้ผอม กีวรดูเก่าสกปรกแถมยังขาดกระรุ่งกระริ่งเหมือนเอาผ้าคิ้วริว้วมาห่อหุ้มร่างเอาไว้ภิกษุชราเดินตัวแข็งทื่อตรงมาดวงตาจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของครูใหญ่ครันใกล้เข้ามาในระยะสักสามเมตรจึงได้รู้ว่าท่านไม่ได้เดินหากลอยมาในลักษณะเท้าเรียเรียกับพื้น สติบอกทันทีว่าสิ่งที่เห็นข้างหน้านั้นมาจากต่างภพภูมิหันไปดูครูน้อยสองคนเห็นเพิ่งจะเริ่มเดินจงกรมเพราะมัวอิดอิดออดอดกว่าจะตื่นกันได้ก็เกือบเกือบตีห้าเข้าไปแล้วมินำซ้ำยังเสียเวลาไปกับการล้างหน้าแปรงฟันอีกหลายนาที มีคนตื่นอยู่ถึงสองคนเช่นนี้ความกลัวก็ลดน้อยลงแต่เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ภาพลวงตาจึงกำหนดเห็นหนอสามครั้งกำหนดแล้วภาพนั้นก็ยังไม่หายไปครูไวกลางคนจึงรวบรวมสติแล้วถามออกไปว่าท่านเป็นใครขึ้นมาทำอะไรที่นี่ ผิดแปลกไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วทำไมหลวงตาไม่ไปลงโบทกับเขาล่ะครับอาตมาไม่ต้องลงโบทยากตกใจอาตมาไม่ได้มาร้ายคือว่าอาตมาตายไปเมื่อสิบปีที่แล้ว ลุกสู้เมื่อภิกษุชราบอกว่าตายแล้วแต่เมื่อท่านบอกว่าไม่ได้หมาร้ายจึงกลั้นใจถามออกไปว่าแล้วท่านขึ้นมาบนนี้มีจุดประสงค์อะไรหรือครับ พระครูด้วยว่าอาตมาขอบาไทไรสักหนึ่งสำรับและเวลายมปฏิบัติกรรมฐานช่วยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้หลงตาเฟื่องวัดป่ามะม่วงด้วยอาตมาจะได้ไปเกิดเสีทยธีวนเวียนอยู่ที่นี่ มาสิไปแล้วเพราะยังใช้กรรมไม่หมดเมื่อตอนท่านบวชไม่ได้เจริญกรรมฐานหรือครับจึงได้มีสภาพอย่างนี้ใช่แล้วอาตมาเป็นคนหัวเดือท่านพระครูบอกอาตมาก็ไม่เถอะเพราะเป็นคนทิฐิสูงเห็นว่าท่านพระครูเด็กกว่า ไหนเลยจะมาสอนอาตมาได้ก็เพราะไม่เชื่อท่านนี่แหละถึงต้องมาเป็นเปรตอย่างที่โยมเห็นอยู่นี่เปรตหรือครับทำไมรูปร่างไม่เหมือนกับที่ยายเล่าให้ฟังสมัยผมเด็กๆคือยายบอกว่าเปรตนั้นตัวสูงเท่าต้นตานปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานแสดงว่า ยายหลอกผมใช่ไหมครับไม่ได้ลอกรกโยมเปรตมีหลายประเภทอย่างอาตมานี่เป็นประเภทปรทัดตูปะชีวิต ก, กับเปรตคือเปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู่โดยอาศัยบุญที่ผู้อื่นอุทิศให้อาตมา ถึงต้องมาขอส่วนบุญจากโยมโปรดเมตตาด้วยเถิดเสียงนั้นทั้งขอร้องและวิงวอนถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ทุกครั้งที่ทำกรรมฐานชื่อหลวงตาเฟื่องนะครับถูกต้องอาตมาต้องขอขอบใจโยมเป็นอย่างมาก ขอให้โยมตั้งอกตั้งใจปฏิบัติต่อไปทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐที่สุดแล้วอาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผ่านมาที่มัวลงประมาทมัวเมาในชีวิตจึงต้องมาตกระกำรรมลำบากอย่างนี้กาจะรู้สึกตัว ก็สายเกินไปเสียแล้วจุงอย่าได้เอาเยี่ยงอย่างอาตมาเลยนี่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งอาตมาจะดรู้สติปันสีไปจนตลอดชีวิต ท, ทีเดียวจะไม่ประมาทมัวเมาอีกแล้วเขตแล้วอาตมา ลาลัโยมร่างนั้นค่อยๆลอยห่างออกมาและจึงหายวับไปกับความสั่วของรุ่งอรุณบัดนั้นบรรดาสุนัขที่ส่งเสียงเห่าหอนมาตั้งแต่ตีสี่ต่างพากันเงียบเสียงลงราวกับนัดครูใหญ่ไม่สบายหรือเปล่าครับถึงได้ยืนพูดอยู่คนเดียวอย่างนั้นครูบุญมีเดินเข้ามาถามด้วยความสงสัย ผมกำลังคุยกับหลวงตาเฟื่องคุณไม่เห็นหรอกหรือพระแ ก, แก่ที่เดินขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้เองผมไม่เห็นใครสักคนไม่เชื่อถามครูอรุณดูได้จริงครับครูใหญ่ยืนพูดเงาๆอยู่คนเดียวฟังไม่ได้สักว่าพูดอะไรบ้างไม่สบายหรือเปล่าครับนี่ครูน้อยอีกคนถามอย่างเป็นห่วงเปล่าๆผมไม่ได้เป็นอะไรประเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพ่อสักหน่อยคุณสองคนไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิ ครูบุญมีดูนาฬิกาข้อมือแล้ว่วงว่าเพิ่งจะตีห้าครึ่งอีกตั้งครึ่งชั่วโมงท่านจึงจะออกจากโบสถ์เราปฏิบัติกันไปพลางๆก่อนดีกว่าคุณสองคนไม่รำคาญเสียงมาหอนหรือมันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้เองอะไรของมันนักหนาหอนอยู่ได้เป็นชั่วโมงครูใหญ่บนใครว่ามันหอนตอนพระตีระคังเดียเด๋ยวๆเท่านั้นเอ เช้านี้ครูใหญ่มีอะไรแปลกๆพี่กนหรือว่ายังไม่อยากกลับบ้านครูบุญมีเยา้าครูใหญ่จึงตัดสินใจไม่เล่าเรื่องประหลาดให้คนทั้งสองฝั่งเพราะสองคนนี้จะต้องคิดว่าเขาไม่สบายสู้เก็บไว้ถามท่านพระครูจะดีกว่าว่าไงจะไปกุฏิท่านพระครูกับผมได้ไหมครูใหญ่ชวนอีกไปก็ไป ไปนั่งสมาธิรอท่านก็ได้ครูอรุณพูดและคนทั้งสามจึงพากันไปนั่งรออยู่ที่กุฏิท่านพระครูอากาศภายนอกค่อนข้างหนาวเย็นเพราะย่างเข้าฤดูหนาวแต่ในจิตใจของครูใหญ่กลับร้อนรุ่มดังไฟสมคอลทั้งร้อนใจและใจร้อนอยากพบท่านพระครูเป็นที่สุดเสร็จจากสังฆกรรมในโบสถ์แล้ว ท่านพระครูจึงเดินกลับกุฏิเพื่อเตรียมออกบินธบาตโปรดสัตว์เช่นเดียวกับภิกษุอื่นๆในวัดครั้นถึงกุฏิก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นครูสามคนนั่งรออยู่ท่านคิดว่าเขามาลาจึงชวนให้อยู่รับประทานอาหารเช้าก่อนพวกผมยังไม่กลับรกครับแต่ผมมีปัญหาบางอย่างจะมาเรียนถามหลวงพ่อครับต้องขอประทานโทษที่มารบ ก, กวนแต่เช้า ครูใหญ่ออกตัวมีอะไรหรือท่าทางดูร้อนใจพิกลหลวงพ่อครับที่วัดนี้มีพระชื่อหลวงตาเฟื่องหรือเปล่าครับท่านพระครูนั่งนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่ามีแต่ตายไปนานแล้วแกเป็นจ่าสิบตำรวจกรเกษียณอายุแล้วมาบวชที่นี่ ครูใหญ่รู้จักแกหรือไม่รู้จักหรอกครับแต่ท่านมาหาผมเมื่อกี้นี้มาแนะนำตัวว่าชื่อหลวงตาเฟืองแล้วครูใหญ่จึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่านพระครูฟังอย่างละเอียดฟังแล้วท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าน่าอายเลือกเกินตัวเป็นพระแต่มาขอส่วนบุญจากญาติโยม ครูเห็นหรื อ, อยังละว่าพระก็ไปทุกขติไปอบายได้ถ้าประมาทลุงตาเฟื่องแกดือ้ออาตมาเตือนด้วยความหวังดีแกก็ไม่เชื่อเกียรติคร้านเอาแต่กินกับนอนนอกจากนี้ยังขโมยของวัดไปฝากลูกฝากหลานเป็นประจำโ น, น่นบ้านแกอยู่ใต้วัดไปโ น, น่น อาตมาบอกว่ามันบาปนะหลวงตาแกกดหำไม่รู้ไม่ทิเสร็จแล้วเป็นยังไงไปเกิดเป็นเปรตเลยเห็นไหมครูใหญ่น่าจะถามแกดูว่าทำไมถึงใช้ให้ครูมาขอผ่าใรทำไมแกไม่มาขอเองผมก็คิดจะถามอยู่เหมือนกันแต่ยังไงไม่ทราบลืมเสียได้ สงสัยจะกลัวมากไปหน่อยแกคงรู้ว่าเมื่อคืนมีคนเข้าเอาพาดไรมาถวายอาตมาหนึ่งสำรับเลยใช้ให้ครูใหญ่มาขอฉลาดดีนิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติต่อจนถึงเวลาอาหารรับทานอาหารกันแล้วค่อยมาหาอาตมาอาตมา จะออกไปบินธบาตอยู่เหมือนกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันใหม่และท่านพระครูก็ออกบินธบาตโดยมีนายสมชายฮิวบินโตเดินตามหลังครูสามคนกลับมายังศาลาไม่มีใครพูดถึงหลวงตาเฟื่องอีกด้วยกลัวว่าแกจะมาปรากฏตัวฟ้ายังไม่ทันสางเพราะดวงตะวันยังไม่ขึ้นพวกอมนุษย์ จึงมีสิทธิ์ที่จะมาป้นเปียนให้เห็นได้ท่านพระครูฉันเช้าเสร็จได้สักพักครูใหญ่หนึ่งคนก็นำครูน้อยสองคนเข้ามาหาแต่ละคนมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วยแสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะกลับอยู่กันอีกสักคืนเถินหน้าท่านเจ้าอาวาสแกล้งเยา้าไม่ไว้ครับ สามเสียงตอบขึ้นพร้อมกันอ้าวเพื่อจะได้เลขเด็ดลุงตาเฟืองแกอาจจะให้หวยก็ได้คราวนี้ครูบุญมีกับครูอรุณทำท่าสนใจครูบุญมีพูดว่าอยากได้นะ่ะอยากหรอกครับแต่กลัวจะช็อกไปเสียก่อนลุงพ่อครับตกลงว่าลุงพ่อจะให้ผ้าไตรลุงตาเฟืองใช่ไหมครับ ครูใหญ่ทวงถามเพราะไม่แน่ใจว่าภาระที่รับปากมานั้นเสร็จสิ้นหรื อ, อยังเออแน่เกือบลืมเอาอย่างนี้ดี้วอาตมาจะฝากผ้าให้ครูใหญ่นำไปถวายพระต้องถวายพระกรรมฐานนะอย่าไปถวายซีสัวท่านพูดภาษาจีนก็เป็นเหมือนกัน ทำไมต้องถวายเฉพาะพระกรรมฐานแล้วครับหลวงพ่อครูอรุณถามก็ท่านจะได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาเฟื่องได้ถ้าพระที่ไม่ปฏิบัติจะอุทิศไปไม่ถึงพระบางรูปท่องบทกรวดน้ำไม่เป็นด้วยซ้ำย่างหลวงตาเฟื่องนี่ท่องได้เสีที่ไหน ขนาดบวชมาตั้งสิบพันษาเวลาเขานี่นม์นไปสวดก็ทำปากขมุบขมิบไปอย่างนั้นเองแต่อย่าพูดไปนะพระแบบหลงตาเฟื่องเดี๋ยวนี้มีเยอะท่านพูดยิ้มยิ้มจากนั้นจึงหยิบผ้าใรส่งให้ครูใหญ่ถือไปอย่างนี้แหละไม่ต้องหงต้องห่อรอก เดี๋ยวก็ได้ถวายแล้วท่านพูดเช่นนี้ได้รู้ว่าคนทั้งสามจะไปพบพระทุดงกลางทางเพราะเห็นหนอบอกอย่างนั้นเอาเถอะแล้วอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้แก่อีกแรงหนึ่งจะได้ไปเกิดเร็วๆนี่ถ้าครูใหญ่ไม่บอกอาตมาก็ไม่รู้ว่าแกไปเกิดเป็นเปรต ลืมไปเลยหลวงพ่อได้เห็นหนอแต่ทำไมไม่รู้ล่ะครับครูอรุณสงสัยอ๋อนี่แสดงว่าครูยังเข้าใจเห็นหนอไม่ท่องแท้ดีแล้วที่พูดขึ้นอาตมาจะได้ถือโอกาสอธิบายเส้นเลยจริงอยู่แม้อาตมาจะได้เห็นหนอ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตลอดเวลาเมื่อไรกันแม้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยุ่งเลยนะสิวันวันไม่เป็นอันทำอะไรแล้วเพราะเที่ยวไปเห็นคนโน้นคนนี้วุ่นวายไปหมดโปรดจำไว้ว่าเราจะเห็นหนอก็ต่อเมื่อตั้งสติกาหนดจิตเท่านั้น อย่างที่อาตมากำลังคุยกับโยมอยู่นี่อาตมาก็เห็นโยมเป็นโยมเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นๆเห็นแต่ถ้าอาตมาอยากรู้ว่าโยมกำลังคิดอะไรอยู่อาตมาก็จะตั้งสติกําหนดจิตแล้วเห็นหนอจึงจะเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้พอจะเข้าใจหรื อ, อยังละ่ะ ครับเข้าใจแล้วครับลุงพ่อครับและคนที่เจริญสติปัฏฐานสมีโอกาสได้เห็นหนอทุกคนไหมครับครูบุญมีสงสัยไม่ทุกคนก็คนที่จบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมทุกคนหรือเปล่าละ่ะได้เป็นบางคนครับครูอรุณตอบ เหมือนกันนั่นแหละคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่บางคนก็ไม่ได้เห็นหนอเพราะมันไม่ใช่จุดหมายของการปฏิบัติเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นอาตมาจะยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลเรื่องพระอุบลวันนาเทรีคนนี้เป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มาก ในบรรดาพระเถระผู้มีฤทธิ์ต้องยกให้พระโมคคัลลานะแต่ถ้าพระเถรีต้องยกให้พระอุบลว น, นาแต่ถึงแม้จะมีฤทธิ์ก็ยังถูกนันธรมานพคมขืนกระทำชั่มเราซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเก่าครั้งอดีตชาติที่ท่านประพฤติผิดศีลข้อสาม คนก็พากันสงสัยว่าทำไมทั้งๆ ท, ที่มีฤทธิ์ยังถูกข่มขืนได้นี่ก็เหมือนกันคือเมื่อท่านยังไม่ตั้งสติกำหนดจิตฤทธิ์ก็ยังไม่เกิดในคำพีกล่าวว่าตอนจะถูกข่มขืนนั้นท่านไปข้างนอกมาทั้งเหนื่อยทั้งร้อนกำลังจะนอนพักนันามานบ ซึ่งซ่อนอยู่ใต้เตียงก็ถือโอกาสคมขืนตอนนี้เมื่อ น, นันทมานพคมขืนเสร็จก็ถูกธรณีสูบเพราะทำร้ายพระอระหันต์ถือว่ามีโทษหนักบาปมากเห็นไม่ว่าถ้าไม่ตั้งสติกำหนดจิตริษณ์ก็ไม่เกิดเหมือนอย่างที่อาตมาลืมหลวงตาเฟื่อง และแกก็ไม่มาปรากฏให้เห็นก็เลยไม่รู้กันอ้อยังเป็นเปรตอยู่หรือนี่ครับท่านบอกว่าเป็นปรทัศตูปะชีวิกับเปรตพวกเปรตนี่มีหลายประเภทหรือครับลงพ่อเท่าที่อาตา ม, มาทราบมีสี่ประเภทได้แก่ปรทัศ ต, ตูปะชีวิกับเปรต คือพวกที่มีชีวิตอยู่ด้วยการขอส่วนบุญจากผู้อื่นคุป ป, ปิปาสิกเปรตคือพวกที่ถูกเบียดเบียน ด, ด้วยการหิวข้าวหิวน้ำนิชามะตันหิกเปรตคือพวกที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอและกาลกันจิกเปรตเป็นชื่อของอสุรที่เป็นเปรต ครูอยากจะเป็นเปรตประเภทไนหนละ่ะท่านถามครูอรุณไม่อยากเป็นสักประเภทเดียวครับทำกรรมอะไรจึงไปเกิดเป็นเปรตครับหลวงพ่อครูบุญมีถามก็ความโลภนะสิเ<งาน>ขาเรียกว่าจิตมีโลภะยังหลงตาเฟื้อง ที่ขโมยของวัดไปให้ลูกหลานกินเพราะจิตยังมีโลภะยังห่วงลูกหลานคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะเช่นยังห่วงโน่นห่วงนี่ไม่ว่าจะห่วงสมบัติหรือห่วงลูกห่วงหลานก็ถือว่ายังมีโลภะถ้าไม่ไปเกิดเป็นเปรตก็ไปเกิดเป็นอสุรกาย ฉนั้นโยมจงจำเอาไว้เวลาตายต้องทำจิตให้พองใสจะได้ไปสุคติภูมิถ้าตายขณะที่จิตมีกิเลสเช่นถ้ามีโทสะจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้ามีโลภะจะไปเกิดเป็นเปรตหรืออสุรกายถ้ามีโมหะก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานดังนั้น ถ้ารู้ว่ากำลังจะตายก็อย่าไปห่วงอย่าไปโลภโกรธหลงจะได้ไม่ต้องไปอบายภูมิอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องหนึง่งอยากฟังไหมละ่ะอยากฟังครับคนทั้งสามตอบเอาละ่ะอยากฟังก็จะเล่าให้ฟัง มีเจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งอย่าให้อัตมาเอ่ยชื่อเลยนะเพราะไหนไหนท่านก็มรณภาพไปแล้วเจ้าคณะอำเภอรูปนี้ท่านสะสมภารไรไว้เป็นร้อยๆสำรับใส่ตู้เรียงรายเต็มกุฏิไปหมดแล้วท่านก็หวงมากไม่ยอมแจกใครเพราะตั้งใจว่าอายุครบแปดสิบ จะทำบุญใหญ่แล้วค่อยแจกตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพออายุ75ปีท่านก็มรณภาพแล้วไปเกิดเป็นเปรตเห็นไหมประมาทนิดเดียวไปเกิดเป็นเปรตเลยจะว่าท่านโลกก็ไม่เชิงเพราะท่านตั้งใจไว้ว่าอายุ80สถึงจะแจก ที่นี้ท่านก็เลยตายขณะที่จิตมีโลภะคือห่วงพาตรหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับว่าท่านไปเกิดเป็นเปรตครูใหญ่ถามท่านมาบอกอจตมามาแบบเดียวกับที่หลวงตาเฟื่องมาหาครูใหญ่นั่นแหละแต่แยก่กว่าหลวงตาเฟื่องตรงที่ไม่มีอะไรนุ่งห่ม มาแบบทีเปลือยว่างั้นเถอะมาถึงก็บอกอาตมาว่าท่านพระครูผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพช่วยเอาผ้าไตรแจกให้หมดแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมด้วยอาตมาก็จัดการให้ตกกลางคืนก็มาขอบใจนุ่งห่มเรียบร้อยบอกว่าสบายแล้วนี่เห็นหรือยัง ประมาทไม่ได้เลยเพ้อไปนิดเดียวยังไปทุกขติเสดได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ถึงได้ทรงเตือนนักว่าไม่ให้ประมาททีนี้เห็นความสำคัญของสติหรื อ, อยังว่าการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นมีประโยชน์มากเห็นด้วยไหมละ่ะ ท่านถามเห็นด้วยครับครูสามคนตอบและครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับพวกผมเห็นจะต้องกราบลาและต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาพวกผมให้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างได้อาหารบำรุงร่างกายและยังได้ธรรมะบำรุงจิตใจอีกด้วยและในฐานะที่พวกผมเป็นครูบาอาจารย์ ก็จะนำความรู้นี้ไปอบรมสั่งสอนแก่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคตสุดท้ายนี้พวกผมไม่มีอะไรจะตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อนอกจากจะขออนุญาตถวายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อสมทบทุนเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและญาติโยมที่มาเข้ากรรมาฐานได้ทราบมาว่าหลวงพ่อต้องรับภาระหนักในเรื่องนี้พวกผม พอจะช่วยแบ่งเบาได้บ้างตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ครูใหญ่พูดค่อนข้างยาวแล้วจึงถวายเงินจำนวนหนึ่งซึ่งใส่ซองปิดผนึกอย่างเรียบร้อยขออนุโมทนาขอให้ครูใหญ่และคณะจงเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดีภาพแล้วขอให้หมั่นเจริญกรรมฐ า, านกันทุกวันในสามคนนี้ จะมีคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปได้อาตมาขอบิณฑบาตขอให้เลิกเสียเพราะมันเป็นการพ น, นันแต่ที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเอาเถอะที่จะถูกนะ่ะซื้อไว้แล้วไม่ต้องซื้อใหม่บางเอิญคนทั้งสามต่างก็ซื้อไว้คนละฉบับ จึงพากันคิดว่าคนโชคดีที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นคือตัวเขาคนเป็นครูใหญ่นั้นตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะเลิกอย่างเด็ดขาดไม่ว่างวดนี้จะถูกหรือไม่ก็ตามการได้มีโอกาสมาลิ้มรสพระธรรมในครั้งนี้มีค่ากว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นไหนไหนเวลาตีสี่ของวันถัดมาท่านพระครูตื่นขึ้นปฏิบัติกรรมฐาน เป็นเวลาสองชั่วโมงเช่นเคยและไม่ลืมที่จะแผ่เมตตาไปให้หลวงตาเฟื่องดังที่ได้ลั่นวาจาไว้กับครูใหญ่เมื่อคืนก่อนจำวัดท่านก็ได้อุทิศส่วนกุศลไปให้ภิกษุนั้นครั้งหนึ่งแล้วคงจะพอช่วยได้บ้างแผ่เมตตาเสร็จท่านจึงกำหนดออกจากกรรมฐานพอลืมตาขึ้นจึงเห็นหลวงตาเฟื่อง นั่งพับเพียรพนมมือแต้อยู่เบื้องหน้าผมมาขอบคุณท่านพระครูที่ได้ช่วยสงเคราะห์ผมสบายแล้วภิกษุชราบอกกล่าวท่านมาก็ดีแล้วผมอยากจะต่อว่าสักหน่อยท่านพระครูพูดขึ้นต่อว่ามากมากก็ได้คราวนี้ ผมยอมจำนนทุกอย่างคิดแล้วถ้าผมเชื่อท่านพระครูเสตตาแรกก็คงไม่ลําบากถึงปานนี้ฝ่ายนั้นรำพึงรำพันเรื่องที่ผมอยากจะต่อว่าก็คือทำไมท่านไม่มาบอกผมตั้งแต่ทีแรกเพราะอย่างน้อยผมก็ช่วยท่าน ไม่ให้ต้องอดอดอยากๆยากแล้วทำไมไม่บอกผมตรงๆต้องไปผ่านทั้งครูใหญ่ท่านไม่อายเขาหรือที่เป็นพระแต่ไปขอส่วนบุญจากขรืหัดมาขอจากพระด้วยกันก็ยังดีท่านเห็นผมเป็นอะไรถึงได้ข้ามหน้าข้ามตาไปเจ้าของกุฏิต่อว่าต่อขานเป็นการใหญ่ ผมกรูวว่าท่านพระครูจะไม่อภัยให้ก็เลยไม่กล้าอีกอย่างผมก็อยากจะรับกรรมที่ก่อขึ้นนั้นด้วยตนเองก็ท่านพระครูเคยสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าทำกรรมแทนกันไม่ได้ใครสร้างเหตุคนนั้นก็ต้องรับผล ถูกแล้วแต่ผมหมายความว่าอย่างน้อยก็ยังช่วยให้ทุเราเบาบางลงได้บ้างแต่ตอนนี้ท่านก็ได้ช่วยผมแล้วผมเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูมากเหลือกเกินนี่ถ้าได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกผมจะตั้งหน้าตั้งตาจเจริญสติปัฏฐานสี ไปจนตลอดชีวิตผมรู้แล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกอย่างไรผมเห็นจะต้องลาขอพระคุณสำหรับผ้าลไรไม่เอี่ยมที่ผมนุ่งห่มอยู่นี้พูดจบภิกษุชราก้มลงกราบสามครั้งแล้วร่างนั้น ก็ค่อยๆเลือนหายไปในความสัวของยามอารุณ